บทภาชณีติกาณิสักยะปาจิตตีห้าร้อยเเกินระยะ3ามโยชน์ภิกษุสำคัญว่าเกินนำไปสมโยต์ต้องอบัติสักสยะปาจิตตีเกินระยะสมโยชน์ภิกษุไม่แน่ใจนำไปเกินสมโยชน์ต้องอบัติสักยะปาจิตตีเกินระยะ3ามโยต์ภิกษุสำคัญว่าย่อนกว่านำไปเกินสมโยน์ต้องอบัติสักยะปาจิตตีทุกทุกฎย่อนกว่า3มโยชน์ภิกษุสำคัญว่า เกินต้องอบัตทุกฎยันกว่า3มโยต์ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกข์กฎยอนกว่า3มโยตภิกษุสําคัญว่ายอนกว่าไม่ต้องอบัต